1.22 พระพุทธเจ้าสอนพระพาหิยะวงเล็บเปิด15้ามกราคม2 5 5 0ในวงเล็บสองจุดจุดนาที48วงเล็บปิดสภาวะใดๆเกิดขึ้นถ้าจิตไปรู้เข้าก็รู้มันรู้แล้วไม่เติมอะไรลงไปในการรู้คือท่านรวบอายตนะที่เหลือเข้าไปที่รู้ท่านไม่อยากพูดหอันเพราะท่านพาหิยะเก่งแล้วไม่ต้องพูดหอันเสร็จแล้วแค่นี้ก็รู้แจ้งแล้ว ท่านถึงบอกว่าเมื่อรู้แจ้งก็ให้รู้ว่ารู้แจ้งก็จบลงแค่นั้นเห็นไหมท่านบอกว่า <_: S 1> เครื่องหมายคําพูดเปิดดูกระระพาหิยะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีเมื่อท่านไม่มีในปัจจุบันท่านย่อมไม่มีในอดีตในอนาคต นี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ปิดเครื่องหมายคำพูดเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกเรารู้สภาวะทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วอะไรเกิดขึ้นที่ใจเรานะให้เป็นรูปเดียวเลยรู้ไปเรื่อยๆถ้าเรารู้อย่างมีสติถูกต้องไม่ปรุงแต่งอะไรลงไปไม่คิดนึกปรุงแต่งเราจะเห็นเลยสภาวะทั้งปวงนั้นไม่มีตัวตนเช่นความโกรธเกิดขึ้น ความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโลภไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราตัวท่านย่อมไม่มีพอตัวท่านไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายกับใจนี้คนทั่วๆไปก็เห็นความทุกข์ที่อาศัยอยู่ในกายในใจที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเห็นกายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าปัญญาแก่รอบจริงเห็นอริยสัจจะเห็นว่ากายกับใจนั่นแหละคือตัวทุกข์